สัพพยุตยา น, นั้นเป็นยานที่ทำให้พุทธพุทธาภาวะคือภาวะแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จก็เพราะอาศัยสรพพยุตยานกระดูข้อความในอัตกาาก่อนเราจะได้เข้าใจความเป็นไปของคำพีนี้หรือว่าการฟังธรรมในครั้งนี้พระจริยาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์โลก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 เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งโลกหรือมวลแห่งสัตว์โลกประโยชน์ประโยชน์ในที่นี้เน้นประโยชน์คือพระนิพพานสิ่งที่เกื้อกูลก็หมายถึงอริยมรรคท่านสิ่งที่พระองค์กระทาทั้งหมดเพื่อมรรคและพระนิพพานแก่สัตว์โลกกว่าจะประพฤติสิ่งนั้นได้สำเร็จเนี่ยนะพระองค์ก็สแสวงหาคุณอันใหญ่สแสวงหาศีลคุณให้มีอยู่ในใจเนี่ย ถ้าถ้าพูดตามจริยาปิดกก็บอกว่าพระองค์ให้แสวงหาทานแสวงหาการให้ทานแสวงหาการรักษาศีลแสวงหาการเจริญเนฆามะแสวงหาปัญญาแสวงหาวิริยะสติเนี่ยนะแสวงหาวิริยะแสวงหาสัจจะขันติอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาแสวงหาบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัตถบารมีสิบแสวงหามหาบริจาคมห้า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 ชราและมรณะสาเหตุแห่งโศกกะปริเทวะทุกขโทโมนัสและอุปายาตนี่หรือคือธรรมะที่เราต้องนอบน้อมธรรมชาติที่นําไปสู่ชราและมรณะสาเหตุแห่งโศกกะปริเทวะทุกขโทโมนัสหรือคือสิ่งที่เราต้องนับถือนี่หรือคือสารณะของเราอันนี้ก็ไม่ใช่อกุศลทั้งหลายก็เป็นธรรมะอพยากตะธรรมทั้งหลายธาตุดินน้ําลมไฟเป็นต้นก็เป็นธรรมะ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 พระพุทธเจ้าบูชาปริยัติบูชาอริยมรรคบูชาอริยผลบูชาพระนิพพานตรงนี้เน้นพิเศษคือวิชาและจรณะวิชานั้นเป็นชื่อของปัญญาจรณะเป็นชื่อของศีลกับสมถะเนี่ยนะพันวิชาก็หมายถึงปัญญาจรณะก็หมายถึงศีลและสมาธิคุณธรรมคือวิชากับจรณะอันนี้นี่แหละที่เป็นนิยานิกรธรรมนําสัตว์ให้ออกจากวัตทุกข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 หมายควาว่าผู้ที่แทงตลอดอริยธรรมบรรลุมรรคผลในพานี่โดยเฉพาะอริยมรรคเนี่ยถ้าปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็พ้นจากอบายทุคติวินิบาตและนรกทีนี้มาดูพระสงฆ์ว่าข อ, อพระอริยสงฆ์ใดเป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรคผลสมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์นั้นผู้เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยม อริยสงฆ์นั้นหมายถึงหมู่แห่งบุคคลผู้เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิพระอริยสงฆ์นั้นตั้งอยู่ในมรรคสีโสดาปฏิมรรคสกัฏาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคสมบูรณ์ด้วยผลนะมีอริยผลก็คือโสดาปฏิผลสกัฏาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีคุณธรรมทั้งหลายเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญา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 กำจัดข่าศึกภายในพร้อมทั้งกำจัดข่าศึกภายนอกพระองค์ตรัสในคาถาธรรมบทว่าผู้ที่เจริญผู้ฐานุสติธรมมานุสติสังขานุสติเป็นต้นเนี่ยนะผู้ที่มีจิตเป็นไปกับพระตนะตรัยอันะเชื่อว่าไม่ต้องใช้เวทมนต์คาถาอย่างอื่นเพราะว่าบุญกุศลอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่คอยปกปักรักษาเนี่ยนะเป็นเครื่องป้องกันเป็นอย่างดี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 ต่อไปว่าบารมีใดบารมีทั้งหลายมีฐานะบารมีเป็นต้นอันเป็นบารมีชั้นอุกฤษคือนับตั้งแต่บารมีอุปปารมีปรมัทธบารมีเนี่ยอุกฤตก็สูงสุดที่บุคคลทำได้ยากบารมีเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงสแสวงหาคุณอันใหญ่ประทับอยู่ที่วัดนิโครทารามในแควนสักกะ สกจชนบทเนี่ยประทาะทรงประกาศอนุภาพแห่งสัมโพธิจริยาคือข้อประพฤติเพื่อสัมโพธิญาณแห่งพระบารมีเหล่านั้นพระองค์สะสมไว้ในพัทธกัปนี้คมภีร์นี้เป็นคมภีร์ที่พูดถึงบารมีที่พระองค์ประพฤติเฉพาะในกัปนี้นะเฉพาะกัปนี้ในบรรดาสีอสงไขเศษแสนกัปเนี่ยนะเอาเฉพาะกัปนี้ไอ้ที่เรียกว่าสีอสงไขกับ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 เป็นการกระทำเพื่อโพธิญาณเพื่อการตรัสรู้นะคมภีจริยาปิดอกนี้เป็นคมภีที่พระองค์แสดงที่แคว้นสั ก, กะเนี่ยนะนะปิดกใดชื่อว่าจริยาปิดอกอันพระโล ก, กนาคคือพระผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทรงแสดงแก่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เป็นยอดแห่งพระสาวกทั้งปวงในบรรดาสาวกองค์ทั่วไปเนี่ยนะนะที่จะ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 เป็นคำภีที่พูดถึงเหตุของความเป็นพระพุทธเจ้าที่กลมพระอานนท์พระมหากระสปะเรียบเรียงไว้ในสมัยธรรมสังขยนาพูดถึงการเรียบเรียงคำภีเจริยาปิดกโดยเฉพาะคำอธิบายเนี่ยนะพระธรรมพระธรรมปาละท่านบอกว่าการพนานาอัดที่ทำได้ยากข้าพเจ้าสามารถจะทาได้ก็เพราะอาศัยนัยยะอันจาแนก สำโพที่สมผานแห่งปิดกนั้นอาศัยวิธีการอาศัยองค์ประกอบอาศัยเลยละอย่างซึ่งจริงๆแล้วจริยาปิดกก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ยากออขออภัยจะทาได้ง่ายทาไมทไําไมจึงจำแนกยากก็คือคนทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้คิดแบบท่านเมื่อไม่คิดแบบท่านจะอธิบายอัธยาศัยของท่านได้ง่ายซะที่ไหนอย่างอัธยาศัยของผู้ที่ยินดีในการให้ทานคนตะหนี่อธิบายไม่ได้ อัธยาศัยของผู้มีศีลคนผู้ศีลอธิบายไม่ได้อัธยาศัยของผู้ที่มีเนคขมมะน้อมไปในสมถะทั้งหลายเนี่ยนะอัธยาศัยของผู้มีเมตตาเป็นต้นเนี่ยคนไม่มีเมตตาหรือคนที่ไม่มีเนคขมมะอธิบายไม่ได้โดยเฉพาะอัธยาศัยของผู้มีปัญญาเนี่นยนะคนที่ไม่มีปัญญาจะจำแนกได้ง่ายไหมก็ถือว่ายากเพราะฉะนั้นคัมภีร์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคมภี์ที่อธิบายยากที่อธิบายยากก็เนื่องจากว่า คนทั่วๆไปไม่ได้มีอัธยาสัยเช่นกับพระพุทธเจ้าเมื่อไม่มีอัธยาสัยเช่นกับพระองค์แล้วจะเอาอะไรมาที่วายเนี่ยนะเราจะรู้ใจของท่านหรือว่าท่านประสงค์สิ่งใดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการพันน า, นาอันเป็นคำสอนของพระศาสดาเนี่ยนะคำวินิจฉัยทั้งหลายจะทรงอยู่ได้ก็เพราะการวินิจฉัยของบุรพาจารย์ผู้มีความเกล้ากล้าเหมือนสีหะจะดารงอยู่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 คือเรื่องราวที่ยกมาเนี่ยในจริยาปิดกเป็นการยกมาแบบย่อๆส่วนพิสดารกว่านี้อยู่ในชาดกเพราะฉะนั้นก็อาศัยคำพีชาดกที่กล่าวถึงสมมติว่าอย่างอากิจติเรื่องอกิติจริยาเนี่ยก็มีอยู่ในคำพีชาดกในชาดกพิสดารเพราะฉะนั้นในชาดกก็จะเอามาแสดงตามสมควรเนี่ยนะเพื่อจะได้เข้าใจเนื้อความในจริยาปิดก ส่วนคำพูดใดที่ไม่ได้มาในอัตถกาถาแต่ก็เป็นคำพูดที่บริสุทธิ์ด้วยดีไม่วุ่นวายเป็นข้อวินิจฉัยอัตตอันละเอียดของพระเถระทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ในมหาวิหารเนีย่ยนะสำนักมหาวิหารก็สานักไหนมหาวิหารเนี่ยเป็นวัดที่ใครที่เคยไปศรีรังกานีคงจำได้ศรีรังกาก็คือถามว่าแถวไหนแถวที่ที่มีแต่เสาปักโดๆอยู่นั่นแหละ แถวๆนั้นนะเาเรียกว่าสำนักมหาวิหารที่มีต้นพระศรีมหาโพลเนี่ย น, นะที่มีอะไรนะเจดีย์เจดีย์ย่ๆเลยเจดีย์ใหญ่นะั้นเรียกว่าอะไรสุว น, นมาลิกาเจดีย์เนี่ย น, นะที่มีเสาโดด ๆ, ๆ, ๆ, ๆอยู่เป็นเป็นเป็นพั น, น 1, ต้นนะ่นนนะที่มีกก่งพระศรีมหาโพธิ์ที่เขามีการอัญเชิญไปจากประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอาโศกเนี่ยนะพันสำนักนั้นเป็นสำนักที่ทรงพระไตรปิฎกขาดเดียวกันเนี่ยนะ โดยเฉพาะที่ประเทศศรีลังกาเนี่ยที่ไปดูร่องรอยมาเนี่ยเป็นสถาบันที่ใหญ่มากนะไม่น่าเชื่อว่าสมัยนั้นจะเป็นสถาบันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นขณะเรานั่งรถชมชมดูเนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าอดีตการเมื่อพันเอ่อเมือ่อหลังจากพศสองร้อยกว่านีประมาณ230สองเอสา็สิบเเษมาเนี่ยาศาสนาจเจริญรุ่งเรืองที่ศรีลังกาเพิ่งจะมาอันตรทานอ่เพิ่งจะมา ซุดโสมเต็มที่เนี่ยก็พระะประมเอ่อถอยหลังจากนี้ไปสองสามร้อยปีเป็นต้นเนี่ยสมัยที่พวกฮอลันดาพวกโปรตุเกสเข้าไปทำลายเนี่ยนะเข้าไปทำลายทำให้เสื่อมสู์ไปเยอะพันในสมัยนั้นเขามีการเรียนการ ศ, ศาึกษาพระไตรปิฎกอย่างชำนิชำนานแล้วก็แตกฉานนะ พันธะธรรมะปาละบอกว่าจะทำการพันานอัดแห่งจริยาปิดกนั้นแสดงบารมีบารมีก็คือเหตุที่ทาให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเนื้อความที่ได้แนะนำแล้วและก็เนื้อความที่ควรแนะนำต่อไปอันใดที่ชัดเจนอยู่แล้วก็ควรเข้าใจอันใดที่ยังไม่ชัดเจนก็จะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจด้วยประการชนีขอสาธุชนทั้งหลายสาธุก็ดี ชนก็คือคนคนดีทั้งหลายเมื่อหวังให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ในโลกตลอดกาลนานจงพิจารณาอัฏฐะแห่งปิดกนั้นซึ่งจำแนกเอาไว้ชนิแลสาธุชนคนดีทั้งหลายก็คือถ้าเราทั้งหลายปรารถนาที่จะให้พระปริยัติศัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมปฏิเวศสัทธรรมมรรคสีผลสีดำรงอยู่ตลอดกาลนาน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 เหมือนกับบุคคล ท, ทั่วไปพระองค์เป็นผู้ที่สแสวงหาประโยชน์สแสวงหาความสุขให้แก่เราดัางนั้นเราจะมองว่าพระธรรมทุ ก, ทกพระธรรมพระพุทธพจน์ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราอย่างแท้จริงดังนัถ้าหากว่าเรารู้ว่าคําที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่เราเราก็จะตั้งอยู่ในสัมมาคารวะเนี่ยนะตั้งไว้อยู่โดยความเคารพตั้งอยู่โดยความยำเกรง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 ตรงนี้เป็นเหตุตรงนี้เป็นผลตรงนี้เป็นมตรนนตรงนี้เป็นผลตรงนี้เป็นทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์นิโรสัจสจะมรสัจจะฟังแล้วก็ประพฤติตามกิจของธรรมะเหล่านั้นเหล่านั้นได้การกระทําดังกล่าวได้นั่นแหละเป็นเหตุให้ประสบความเจริญคำว่าจริยาปิดกด้วยนะคำว่าจริยาปิดกนั้นคำว่าปิดกดปิดกโดยสัพทั่วทั่วไปแปลว่าตําราก็ได้แปลว่าเป็น ปริยัติก็ได้พันจริยาปิดกหมายถึงตําราหรือพระปริยัติที่ประกาศพระจริยาจริยาแปลว่าความประพฤติประกาศถึงความประพฤติหรือจริยานุภาพอนุภาพการประพฤติของพระพุทธเจ้าของภาษาสดาของเราในอดีตตรงนี้ท่านยกคำว่ า, าศาสดานะคืออะไราศาสดาแปลว่าผู้สอนประโยชน์โลกนี้ผู้สอนประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ผู้แนะนําประโยชน์อย่างยิ่ง พระศาสดาคือพระบรมครูผู้สอนประโยชน์3ประการเหล่านี้เนเราจะรู้จักอนุภาพแห่งความประพฤตในการก่อนของพระองค์ได้ว่าอดีตพระองค์ทำอะไรมาบ้างก็อาศัยคำพีจริยาปิดกคำพีจริยาปิดกนั้นเป็นพระสูตรนในบรรดาปิดกสถ้าไตราปิดกมี3ามไงไตรก็แปลว่า3ปิดก3ก็คือพระวินยัยพระสูตรและพระอภิธรรม จารยาปิฎกนั้นเป็นพระสูตรจริยาปิฎกนั้นนับเนื่องในคุถกานิกายในบรรดาพระไตรปิฎกมีอยห้านิกายคือทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตระนิกายและคุถกานิกายจริยาปิฎกอยู่ในคุถกานิกายคุธกานิกายแปลว่าไม่ใช่ทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายอื่นจากนิกายทั้งสี่เรียกว่าคุถกาิกาย เป็นคําสอนที่สงเคราะห์เข้าในคาถาพุทธพจน์ล้นล้วนนี่เป็นเป็นฉันทลักษนณะ์ไหเป็นฉันทลักษณ์เป็นเนื้อความที่ร้อยกรองเนี่ยนะเป็นร้อยกรองทั้งหมดจริยาปิดกนี่เป็นร้อยกรองมันก็เลยเรียกว่าคาถาซึ่งไม่ใช่คาถาถ้าคาถาเป็นเรื่องราวถ้าคาถานี่แปลหมายถึงฉันทลักษณ์ ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าณวังฆาตสาตุสาสกดิ์คำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9คือสุตะขยะวยากรณะคาถาอุทานอิติตพุตตะกาชาตะกาอภูตธรรมและเวทละเธอว่าเป็นธรรมขันเบดตดเตล็ดคือไม่ไม่กี่ธรรมะขันนะนะในบรรดาพระธรรม 84% ดหมพันธรรมะขันที่ท่านพระนลผู้เป็นธรรมะพันดาคาริกคือเจ้าของเรือนคลังพระธรรมเรือนคลังปริยติธรรม ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสที่ตรัสเอาไว้เนี่ยนะพระนนได้กล่าวในเทระคาถาอานันทเทระคาถาว่าเราได้เรียนเอาธรรมะเนี่ยนะถือธรรมะหรือว่าเรียนธรรมะที่ปรากฏแก่เราเนี่ยจากพระพุทธเจ้า8 2ด0 0ืพันพระธรรมคันเรียนจากพระภิกษุมีภาษารีบุตรเป็นต้นสอง 2,000 ันพระธรรมคันเพราะฉะนั้นจริยาปิดกเล่มที่เราเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมคันเล็กน้อยนีนะ จริยาปิดกนั้นแบ่งเป็นสามวักสามวัค ก, ก็มีอกิตติวักหัตถินาควักแล้วก็ยุทันชนะวักจริยาปิดอกนี้สงเคราะห์เข้าในจริยาสาสบห้าจริยาสามสห้าจริยาก็แปลว่าจริยาปิดอกมีอยู่35สห้าเรื่องอกิตติวักนี่มีอยู่สิบเรื่องหัตถนาควักนี่ก็มีอยู่สิบเรื่องแล้วก็ ยุทธันชนะวักทั้งหมดมีสิบห้าเรื่องทั้งหมดนี้มีอยู่35เรื่องด้วยกันในสามวักอกิตรวรกเป็นวัคต้นนะคาถาต้นก็บอกว่าคาถาต้นของคัำพีจริยาปิฎกมีอะไรไปไปดูหน้าแรกจะเห็นว่าคาถาต้นก็คือข้อ1น่งนะข้อหนึ่งหน้าหนึ่งเลยว่าในสี่อสงไขยแสนกับความประพฤติอันใดระหว่างนี้ระหว่างนี่ระหว่างไหนระหว่างสอสงไขยแสนกับ ความประพฤติคือจริยาทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณข้อปฏิบัติทั้งหมดที่พระองค์กระทานั้นเป็นเครื่องช่วยบ่มเพื่อความเจริญเติบโตแห่งโพธิญาณพระองค์บอกว่าเราจะเว้นความประพฤติในพบน้อยพบใหญ่ในกับล่วงเสียแล้วหมายคาอว่าสอสงไข่แสนสี่ อ, อสงไข้เัอย9 99, 9 9า9กับเนี่ยเอาไว้ก่อนเราจะบอกความประพฤติเฉพาะในพัทกันี้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 ทรงแปลงเพศเป็นพรามเข้ามาหาเราเพื่อพิกษาคือมาขออาหารเราได้เห็นอินทพรามมายืนอยู่ใกล้ประตูบรรณสาลาที่เรียกว่ากุติใบไม้เนี่ยนะของเราเราก็เอาใบหมักเม้าที่เรานำมาจากป่าอันไม่มีน้ามนันนะน้ำน้ำใบหมักเม้าที่นึง่ง น, นะไม่ได้ผสมน้ำมันอะไรทั้งไม่มีไม่มีรสเค็มทั้งไม่เค็มให้หมด การให้นี้เป็นการให้ทั้งหมดให้พร้อมกับภาชนะครั้นได้ให้ใบหมักเมา่แกอินทรพราม์นั้นแล้วเราจึงคว่ําภาชนะแล้วยกให้ทั้งภาชนะเขาคืนภาชนะมาก็ล้างภาชนะคว่ําเลยละการสแสวงหาใบหมักเมาอันใหม่เข้าไปยังบรรณศาลาศาลามงยาคาเป็นต้นเนี่ยนะแม้ในวันที่สองแม้ในวันที่สมอินทรพรามก็เข้ามายังสำนักของเรา